การต่อมแรกพูดนะเนาะ การอะรเนี้ยเราต้องเรียนรู้จริงๆว่าต้องปรับฐานนะครับอย่าไปทําโดยไม่ได้ปรับฐานเชื่อเถอครับมันมีคนทํำมาเยอะแล้วตลอดคิดจักรที่เรามีอยู่อีร้อปีก็ตามนะฮะแล้วมันมันไปไม่ได้คะคือมันไปได้ระดับหนึ่งถูดรูปถูกกรรมได้แต่มันไม่ใช่แล้วเราก็เห็นแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ ก็สอได้ทำฮะผมเชื่อพวกเราก็มีการประกาศมีการนาบุญญาณไม่ใช่มีถ้าไม่มีป่านนี้ไม่มีคนแล้วแหะอันบนวัฒนาเนี่ยจะมีแล้วคนก็ยังเข้ามาแต่มันไม่ใช่เนมันไม่ได้เป็นการเกิดผลที่เป็นวิสัยปกติซึ่งมันควจะมากกว่านี้เยอะเลยแต่ข่าวว่างั้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรากลับมาจริงๆเราจะเพิกเฉยก็ได้เพราะมันก็ยังโตโตอยู่มันก็ยังคงอยู่ได้นะครับแต่ขอให้เรากลับมาจริงๆว่า ในฟอร์มหรือรูปแบบที่พระเยซูคริกําหนดไว้ในพระไตรงิฎกสําหรับเราทั้งหลายที่พรอค์ทรงเลือกมานั้นพรองไม่ได้ทรงเลือกเรามาเพื่อที่จะให้เราทําแบบนี้ผมเชื่อคําำว่ากระปิดกระปอยแค่นี้ไม่น่าจะใช้นะครับดังนั้นขออนุญาตนะครับอย่าไปทะเลาะกันแล้วก็อย่าไปขัดแย้งกันนะคร ผมผมก่อใจคำว่าขัดแย้งเนี่ยแท้จริงคนไทยเราเวลาขัดแย้งกันมักจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเราทำให้ทําให้ผลของการขัดแย้งเนี่ยไม่ได้เป็นการพัฒนาแต่ที่จริงถ้าหากว่าเวลาเราคุยผิดใดๆก็ตามมีความขัดแย้งกันเนี่ยถือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นการคุยกันที่มีสุขภาพที่ดีนะฮะเพราะว่าคุยกันแล้วไปขัดแย้งกันก็แสดงว่าตอนนั้นสุขภาพแย่นะผู้นําว่าอะไรเออหมด นะอันนั้มันมันมั น, ม น, ม น, มนไม่ใช่ครัแต่เราเรียนรู้จักจา ก, กันที่มีความแตกแยกกันบนฐานของสุขภาพที่ดีได้อย่างไรทุกคนก็มีความคิดเห็นทุกคนก็มีบทสรุปแล้วก็ต้องเรียนรู้จักเคารพกเคารพปริการเคารพสิทธิเคารพทุกอย่างที่มีอยู่แล้วถ้าอะไรที่เป็นกติกาก็ไปตามกติกาเราเห็นกติกาก็ไปตามกติกาถ้ากติกายังคงยับอีกทีนี้มีปัญหาเราก็มาคุยกันปรปับองค์ปรับเปลี่ยนกติกาได้ ทุกอย่างยืดหยุ่ได้นะครับปรับเปลี่ยนได้นะขออย่าเอาทิฏฐิส่วนตัวมาเป็นมาเป็นเหตุและกับนะแล้วก็อย่ามีอะไรซ่อนอยู่ข้างในเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นการเมืองนะโบต้องมีการเมืองเข้ามาคนเลต้องโปร่งใสแล้วก็จริงใจนะเราอยู่เพื่อคิดจับคิดจัดอยู่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเราต้องท่องตรงนี้เอาไว้เลครับไม่อย่างนั้นมันจะพาหลบทานเนาะเอาเรามาดูพระคัมีรใน ผู้มือของเราในหน้าสารนะครับข้อคอจุดประสงค์ในการทรงเลือกของพระเจ้าหรือพระเจ้าทรงเลือกเราเพื่ออะไรแท้ที่จริงก็ไม่ไม่ใช่มีด้านใดด้านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ประการที่เรายังคงยังส่วนใหญ่อยู่ในพระธรรมหนึ่งเฟโตให้เรามาอ่านด้วยกันนะฮะ หนึ่เปโตก็ยังไม่ได้ไปถึงบทที่2นะฮะก็ส่วนใหญ่ยังอยู่ในบทที่1น่ถ้าเราดูข้อที่14บทที่ 1-14 ในข้อบสี่ในขสมของการจงเลือกประการที่1นะครับจะอ่านหนึ่งเปโตบทที่1น4คู่กับข้อยี่สหนึ่งะข้อ14บบอกว่าโดยที่ท่านเป็นบทที่เชื่อฟัง ขออยากได้ประพฤตามำกิเลสตัณหาอย่างที่เกิดขึ้นจากความโง่เขาของท่านในการก่อนเพราะเห็นว่าข้อศึกษามีสองประการด้วยกันแสดงให้เราเห็นถึงประสงค์สองประการประกันแรกก็คือโดยที่ท่านเป็นบุตรที่เชื่อฝังแต่เรามาดูข้อ21บอกว่าพราะประคิดท่านจึงวางใจในพระเจ้าผู้ทรงชุบพระคิดให้ฟื้นจากความตายและทรงประทานพะเกียรติแก่พระองค์ เพ้วยความเชื่อและความหวังใจของท่านดารงอยู่ในพระเจ้าก็แปลความว่าเราเนื้อความในคอที่ยสิบตอนตอน้นกับเนื้อความในข้อที่สิตอนต้นมาผนวดกันเป็นจุดประสมประการแรกพระเจ้าทรงเลือกเราเพื่อเราจะเป็นบุตรที่เชื่อฟังพระองค์ด้วยความไว้วางใจ นี่เป็นปัญหาอันหนึ่งของคริสเตียนไม่น้อยครับเชื่อฟังต้องด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าถ้าเราไม่ได้มีความไว้วางใจนะครับเป็นฐานของความเชื่อฟังความเชื่อฟังของเราก็จะไม่ไปทุกประการ แต่การเป็นบุตรที่เชื่อฟังความหมายของบุตรที่เชื่อฟังคือต้องเชื่อฟังทุกประการถ้าจะเชื่อฟังทุกประการเราต้องไว้วางใจพระเจ้าจําได้เหมพระยเยซูได้สอนไว้คร่าวๆในยอห์นบทที่14ก็หนึ่งว่ า, าตาทั้งหลายวางใจในพระบิดาจงวางใจในเราด้วยดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานี่เป็นอีกบทเรียนนึ่งนะครับขอท่อานไหนๆท่านอาจารย์ทั้งสองท่านก็อยู่ในนี้แล้ว อาจารย์ศิษาการตวินคงเนี่ยก็ช่วยจัดบทเรียนสอนสมาชิกให้รู้จักวางใจพระเจ้าไว้นะวนท่านสมาชิกครับผมขออนุาที่แก้ว่าความไว้วางใจพระเจ้าไปสัมพันธ์กับอย่างน้อยนะครับสามประการคือประการที่หนึ่งความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้า มีโ่วนที่จะทำให้เราไว้วางใจพระเจ้าเราเชื่อพระองค์แค่ไหนเราก็มีมีผลกระทบนะครับว่าเราก็จะวางใจพระองค์เท่ากันระดับความเชื่อที่เรามีอยู่ประการที่สองประสบการของเราระหว่างเรากับพระเจ้าเรามีประสบการกับพระเจ้าชัดเจนแค่ไหนเราก็จะไว้วางใจพระองค์มากเท่านั้นนะครับ ถ้าประสบการณ์ของเราไม่ชัดเจนแต่เราอาศัยประสบการณ์ของคนอื่นคือเราจะฟังคำพยานของคนนี้ฟังคำพยานของคนนั้นเราก็ตื่นเต้นไปกับเขาด้วยแต่เรายังไม่เคยมีความไว้วางใจของเราที่มีต่อพระเจ้าก็จะมีระดับเล็กลงนะครับและประการที่สความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์เป็นส่วนตัวยิ่งรู้จักพระเจ้าลึกซึ้งเท่าไหรความไว้วางใจพระเจ้าก็กทวีขึ้นต่อเนั้น ถ้าเราเพียงแต่รู้เรื่องของพระเจ้าความไว้วางใจพระเจ้าก็จะอยู่ในระดับตื้นหน่อยหนึ่งนะฮะการรู้เรื่องการรู้จกักเนี่ยต้อแยกเป็นคนละคนละขั้นตอ น, นเลยเรารู้เรื่องพระเจ้าเยอะนะเจ็ดพระเจ้าสาสตรโลกพระเจ้าช่วยอิสเรลออกมาจากการเป็นทาสของอิพระเจ้านําอิสเรลไปเสาเปตรงวางเสาไฟกลางคืนพระเจ้าทําเยอะแยะในพระเยซูคริสต์พรองค์มาทำอีเยอะแยะโอ้เรารู้เยอะแต่ว่า เราวางใจพระองค์ไหมการรู้เรื่องไม่ทําให้เราวางใจแต่การรู้จักนั่นแต่ละมันสามประการนี้นะครับขอใช้เป็นอะไรอ่ะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแนวทางสําหรับพัฒนาความไว้วางใจส่วนตัวนะสำคัญว่าความเชื่อและความเชื่อมาจากการแค่เวลากับพระคำของพระองค์แล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวและในเวลาเดียวกันความสนิทสนุนการที่เราจะรู้จักพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นหลายครั้งเรารู้จักพระเจ้าอย่างที่เราคิด ว่าพงเป็นนะฮะเราอ่านต้นปีตอนึงเราก็คิดว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นอ ok, ่านอีกตอนหนึ่งก็คิดว่าพระเจ้าเป็นอย่างนี้อ่านก็นีเดิมเยอะๆก็ชักขยะพระเจ้าละครับหมดแล้วเกินใช่ไหมพออ่านก็มีใหม่เยอะๆก็ชักเหลืองใหญ่ละเออพระเจ้ายอดเยี่ยมเลยนะทาบาปยังไงก็ไม่เป็นไรทําได้นะขอรีบประสรภาพปักก่อนลงหายใจเรื่องสุดท้ายมาแล้วอ่นอะไรเงี้ยมันหนมันก็ทําให้เรา ไม่ได้รู้กับพระองค์จริงนะันต่อขอพระเจ้าช่วยเรานะโอเคประการที่สองจุดประสงค์ที่พองค์ทรงเลือกเราอยู่ในบทที่หนึ่งของหนึ่งไปตัวข้อสิประโยคท้ายนะครับว่าให้จุดพฤติกรรมตามกิเลสตัะหาที่ไร้สาระในอดีตคำว่าไร้สาระนั้นมาจากข้อสิบแปด นะฮะก็สิบแปดบอกว่าท่านรู้ว่าพระองค์ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระนิจได้ทำไมอย่างนี้ทําไมบอกว่าหยุดเพราะว่าก่อนที่เราจะเป็นคริสเตียนหรือเราจะมาเชื่อพระเจา้าก่อนที่เราจะบรรเกิดใหม่พฤติกรรมชีวิตของเราไม่ว่าคนจะเป็นยางไรก็ตามมันเป็นพฤติกรรมที่ก่อที่ถูกกระตุ้นจากกิเลสต่างเพราะธรรมชาติป่า แต่เมื่อเรามาเป็นคริเสเตียนชีวิตใหม่เกิดขึ้นแต่ชีวิตใหม่เกิดขึ้นในดินก้อนเดิมเจะหาที่ว่างเขียนลงไปตรงไหนก็ได้เป็นดินก้อนเดิมนะยังเป็นดินก้อนี้ว่าไอ้ดินก้อนเดิมเนี่ยถูกอิจพาของไอ้กิเลสตัณหาในอดิยังครอบหลังอยแต่ไม่เป็นไรครับ วันหนึ่งเราจากดินก้อนนี้ไปพระเจ้าก็จะเตรียมกายใหม่ให้ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้เราจึงต้องให้ อ, อิทธิพลของชีวิตใหม่เข้ามาหยุดพฤติกรรมที่ไร้สาระที่เป็นวิสัยที่ไปผลนะครับจากดินก้อนเดิมนั้นพระเจ้าเรียกเราและพระเจ้าเลือกเรามา ไม่ใช่พระองค์ให้ใจใหม่เราพระองค์เลือกเอามามีชีวิตใหม่เข้ามาแต่ยังให้เราดูในดินก้อนเดิมและตรงนี้ก็เป็นความความมหัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าเราสามารถควบคุมดินก้อนนี้ยที่เป็นดินที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของความบาปกลับมาดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของฤทธิ์แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตนี้ได้นะ ดังนั้นให้เราเห็นตรงนี้นะครับว่านี่เป็นหนึ่งในจุดประสงค์ที่ทมเรียกเราประการที่3จุดประสงค์อยู่ในข้อ15ถึงข้อ17แต่พระองค์ผู้ชรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นโดยสุดท่านทั้งหลายจงประพฤติให้บริสุทดพร้อมทุกประการดังที่มีพระเจ้าข้เขียนไว้ว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธ์เพราะว่าเราบริสุธสองข้อนี้เป็นเรื่องเดียวกันจนข้อ17เเสริมนะฮะ และการตั้งอธิษฐานขอต่อองค์พระองค์เลียกพระองค์ว่าพระบิดาผู้ทรงพิทักษษาทุกคนตามการธรมของเขาโดยไม่มีอคติจงประพฤตินะตนด้วความจำเพลงตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในโลกนี้ดังนั้นพร น, นอรกมาได้ความอ่งนี้ว่าพระเจ้าทรงเลือกเอามาเพื่อเราจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ด้วยความจำเพลงกระ้า กุที่เชื่อฟังคู่กับการไว้วางใจงาการดาเนินชีวิตที่บริสุทธิคู่กับการยำเกรงพระเจ้าถ้าคุณสูญเสียความยำเกรงพระเจ้าคุณก็จะเอาลุ่มเ์อรวยกับความโรยฉุนเฮ้ยปากบ้างนิดหน่อยไม่ต่ไหลไม่ได่าทำไมเราต้องปูพื้นฐานตรงนี้เพื่อทำความเข้าใจก า, ารท่งเลื่องของพระเจ้าก็เพราะว่าเวลาเราไปสร้างสาวกคนเหล่านั้นต้องเข้าใจจุดประสง์เหล่านี้อย่าลืมนะครับ ถ้าคุณไม่รู้จุดประสงค์เหล่านั้นคุณไปนำเข้ามาเป็นคริสเซียนแล้วถามว่ามาเป็นริจเซียนทําไมคุณพูดอะไรครับคุณพูดอะไรครับมาเป็นคริจเซียนสิแล้วก็เจ้าจะอวยกรมาเป็นริจเซียนสิแล้วถ้าเราดีขึ้นบางคนไปยืนหยัดนะถ้าเธอมาเป็นกิจเซียนนะสามีเธอจะเลิกกับมีน้อยแล้วกลับมาหาเธอว้าวกล้าพูดนะพระเจ้าไม่ได้พูดจากนั้นสักหน่อย แต่ว่าหลายคนก็ถึงกันนะถ้าเธอมาเชื่อพระเจ้านักสามีเธอจะไม่ไปนหนักที่อีกแล้วว่าคุณไปสัญญากับเขาได้ยังไงอ่ะนะไม่ใช่นะครับนะั้นขอพระเจ้าช่วยเราเราต้องสร้างสาวให้กับให้กับพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เพิ่มภูสมาชิกให้กับปีกาจวัดนี่ยขออนุญาตเดี๋ยวจะแตะเรื่องนี้ทีหนึ่งตว่าหลักการคือ เราไม่ได้กำลังเพิ่มปูนสมาิกิยกพัฒนาแต่เรากลังสร้างสาวไกับิวิตคุณอเมินม่แม่อาินมอามทคุณแล้วนเขาจะไผมยังมาเนารจทาพวกนี้ที่ยเทียวเทียวเที่ยวะนะุกทรงที่พระเจ้าทรงเลือกเราหลักการที่ที่าที่ส เออเห็นไหมฮะประการที่สี่หลงหายไปออมาประการที่ห้าอ้าเรามาดูประการที่ 4, สี่สักนิดหนึ่งนะครับเราเห็นไหมครับดูในข้อที่ อ, อ๋อเจ และท th ่านอธิษฐานขอต่อพระองค์เรียกพระองค์ว่าพระบิดาผู้ทรงพิพากษาทุกคนตามปณิธานของเขาโดยเมตติไม่เมตติดจงมาพุทธลงด้วยความยำเกรงตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในโลกนี้และข้อสิปท่านก็รู้ว่าพระองค์ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากกรรมพุทธอาหารสารไม่ได้ซึ่งได้รับต่อจากบัณฑ์พุรธดของท่านมีใจไถ่ายด้วยสิ่งที่เสื่อมจลายได้เช่นเงินและทองและข้อสิบกแต่ทรงไถ่ต่อเนื่องนะต่อด้วยพระโลหิตและ เราเสด็จขอพระองค์ดังเรื่องตุ๊กแกที่ปราศจากตรแหน่งหรือจุดด่างและข้อ20แท้จริงพระเจ้าที่ทรงกำหนดประคิดนั้นไว้ก่อนสร้างโลกแต่พระองค์แต่ทรงให้ประคิดปรากฏในวาระตายเพือท่านทั้งหลายและข้อ21รอบประคิดทัานจึงวางใจในพระเจ้าผู้ทรงชุบพระคิดได้เป็นขึ้นจากความตายและทรงประทานพระเกียรติแก่พระองค์เพื่ความเชื่อและความหวังใจกังท่านดำลงอยู่ในพระเจ้า นั่นก็คือทั้งหมดนี้เราทำทุกอย่างนี้เพื่อมาตอนท้ายของข้อที่21ซึ่งเป็นจุดประโระการที่4เพื่อให้คนได้เห็นความเชื่อและความหวังใจของท่านในเรียนชุมชนคือตรงนี้สำคัญมากนะมันเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการสร้างสาวกคือการดำเนินชีวิตของเราเนี่ย คนก็จะมองว่าเราอยู่เพื่ออะไรอะไรเป็นความหวังใจของเราที่ทําให้เรามีชีวิตอยู่นี่คืุดไม่ใช่เพราะว่าบริษัทจะร่ำรอง ห, อหรือไม่ใช่เพราะเดี๋ยว อ, อนาคตรตรงนี้จจะ ก, การจะดีขึ้นนั่นคือไม่ใช่จำได้ไหมครับก็องประการที่เรามีความหวังใจที่มีชีวิตตามประ ก, กที่บทที่หนึ่งข้อที่สาตรงนั้นนะฮะ ดังนั้นขอเราเรียนรู้นะครับแล้วตอนนี้มาดูบทการที่ห้าอยู่ในข้อที่ 23. ยี่สิบสามยิบามบอกว่าทํานทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ได้จากพันมาตั๋แต่จากพันอมตั๋คือด้วยประวัติณนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่แปลความว่าพระองค์ทรงเลือกเราเพื่อเราจะใช้คำว่าดารงชีวิตด้วย ด้วยภาวะชนะซึ่งเป็นผมขอใช้คำง่ายๆแล้วกนะันอาหารของชีวิตตามสายพันธุ์ใหม่ดีๆคือเมื่อก่อนนี้เราไม่ต้องการภาวะชนะเพราะเราก็ไเป็นเเราก็ดำเนินชีวิตด้วยอาหารตามสายพันธุ์เดิม ก็กินโปรตีนนะฮะวิตามินซีบ้างตามหมอตลาดละกันนะว่าจะกินอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะแต่เมื่อเรามีชีวิตในสายพันธุ์ใหม่ก็จะไม่บอกเห็นหนะฮะเป็นสายพันธุ์อัตตาพันธ์หลายๆเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากพันมัตตาแต่เป็นจากพันธุ์อัตตาคือด้วยภวะนะขอประเจ้า ดั น, นั้นเราต้องดำเนินชีวิตในความยับเกรงดำเนินชีวิตด้วยกันตักกิเลกต่างอหาที่ไร้สลระแต่ชีวิตของเราจะดจำรองอูดว้วยภาวะไร้นของไปจะจำได้ไหมผู้สูงไายในมัธยบอกว่ามนุษย์จะมีชีวิตด้วยอาหารอย่างเดียวก็หาไม่ได้ แต่ด้วยบวชน า, า, าที่ออกจากโลกของพระเจ้าดังนั้นตรงนี้นะครับเป็นเกตินาที่พระเจ้าเลือกเราช่วยเราชัดเจนในเรื่องนี้ประการที่หกหนึ่งไปโตบทีสองข้อเก้า 9, พิชไปดูข้อสองครับเออข้ามาข้อสองะผมอยากให้เราอ่านตอนนี้พร้อมกันหนึ่งสองสามแต่ตัง้งต่หลายเป็นชาติที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกโลหิตหลวงเป็นประชาชาตาบริสุทเป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้นเจ้าตลาดปัะกาศพระบรมีของพระองค์เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ที่พระเจ้าตรัสเราเพื่อเราจะประกาศพระบรมีของพระเจ้าในฐานะของปุกโลหิตในฐานะของปุโรหิต มติเซียนทุกคนเป็นผู้โรหิตไม่ใช่เฉพาะผู้รับใชมีช่วงหนึ่งในชีวิตของการเป็นคริสเตียนของผมเข้าใจผิดว่าบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าคือผู้โรหิตเพราะเมื่ออ่านต้นทีเดิมเพราะว่าปูโรหิตเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ถูกเลือกมาจากตระกูลเลวีสิบสองตระกูลนั้นจอกคนที่มาจากตระกูลเลวีเท่านั้นที่ได้เป็นผูโรหิต แต่เราทังหลายเมื่อเขมาอยู่ในพระคิดผมก็เข้าใจว่าคงจะถอดออกมาในกรอบเดียวกันผู้ที่เป็นผู้รับใช้เวลาคือผูโรหิตเราทั้งหลายคือสมาชิกเมื่อเราถือว่าเราไม่ได้ผู้รับใช้เราก็ไม่ได้สืบอะไรจากเลวีสักนิดหนึ่งแต่ความจริงไม่ใช่เพราะกัมพีข้อนี้ทุกคนนะครับเป็นผูโรหิตและผู้โรหิตเป็นใครขออนุญาตขยายความนิดหนึ่งเป็นใครบางคนที่ยืนอยู่กลาง ยืนอยู่กลางระหวา่างพระเจ้ากับมนุษย์และการยืนอยู่กลางระหวา่างระหวา่างขณะที่คุนยืนอยู่ตรงกลางคุณจะทำตัวเป็นผู้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์หรือระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าก็ได้แต่ในเวลาเดียวกันคุณก็จะเป็นผู้ที่คอยขวางความสัมพันธ์ ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์หรือระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าก็ได้เพราะคอยู่ตรงกลางและการเสด็จได้ที่กียนไม่น้อยที่เป็นอุปสรรคในการที่ทำให้คนมาถึงพระเจ้าไม่ได้และเรื่องนี้ไม่พูดรายละเอียแต่เราก็คงรู้ดีเมื่อเราไปชวนใครบางคนมาเชื่อพระเจ้า ก็บอกว่าคิดเซียนช่บ้านผมเป็นไม่ได้เลือกเลย่ะไปต้องถูกติดบ้านเป็นเมื่อวานนี้เองยังไงตำรวจมาเจอยาบ้าเต็มบ้านเลยยูงไงฟาเพดานเอาคิดเซียนอยากรวยเหมือนกันเนาะเราเรื่าขอพระเจ้าโดยกอนเลือกพยาบาปผมไม่สนเร็จก็เลยทาเองซะเลยเป็นอะไรบางอย่างที่หน้าหน้าเศร้านะครับไม่จะเกิดขึ้นไม่ได้หรือเป็นยังไงครับเราตลาดที่เป็นคิดเซียนเราทระเลาะกับเพื่อนบ้านหรือไง จะรอกไหเป็นไงที่จอดรถไปทางไหมาบ้านเราไปฉี่รอรถหน้าบ้านเราหรือมาบ้านเราไปฉี่ที่หน้าบ้านเราแล้วเราเร า, เราอยู่ตรงกลางเราเป็นปุกกระสับหรือเป็นสะพันเชื่อผู้โลกิเป็นสะพานเชื่อแต่เราต้องระวังงาเรื่องนี้ต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับที่จะพูดตรงนี้ดันั้นขอพระเจ้า ช่วยเราเรียนรู้จริงๆนะครับว่าเราจะต้องมีหน้าที่ประกาศความมีอของพวกฉุกษัตริยที่เจ็ดยอนบทที่15บหก็สิเราอ่านไปแล้วเมื่อสัปดาห์นี้นะครับเขียนลงไปเลยพระเจ้าท่งเรื่องเราเพื่อเราจะไปเกิดผลมากเพื่อเราจะไปเกิดผลมากและประการที่8 2ดสโครินบทที่5ข้อ17ถึงข้อยี วันนี้เราต้องปาทาไปถึงข้อ20่สิบวันที่ผ่านมาผมได้ยินคนท่องแค่ข้อ1ิแล้วเชี่ยวมากมันเชี่ยวชาญมากในเรื่องข้อสิเจ็เนี่ยใครท่องได้สองคนนวันที่ห้ข้อ1ิเจ็ดนะแมเอจนันนทผู้ใดอยู่ในประเิศพูนังก็เป็นคนที่ถูกชาใหม่แล้วสิ่งสันภัด เ, เก่าก็า ล่วไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใ ห, หม่คุณเคยไหมคุณเคยไหมแล้วข้อสิปดล่ะทั้งสิ้นนี้แล้วก่อนนีน้เลยคาว่าทังสิ้นนี้ก็คือทั้งสิ้นนี้ในข้อสิเจที่คุณเป็นคนบูกสร้างใหม่สิ่งชันวัตเก่าๆล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดเ น, น, นี้เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงเลียงคือดีกันกับองคทางพระเยซูคริส และทรงประทานให้เรามีพันตะเกียบเรื่องการคืนดีกันก็สิบก้าคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์โดยพระคิดมิได้ทรงถือโทษในการผิดของเขาและทรงมอบเรื่องการคืนดีกันนะั้นทาไมให้เราประกาศฉะนั้นเราจงเป็นทูตของพระคิดโดยที่พระเจ้าทรงขอร้องทัานทั้งหลาย ทางเราเราจึงขอร้องทันในนามของพระคิดให้คืนดีกันกันกบพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าเลือกเรามาเพื่อเราจะทำหน้าที่ผู้ของพระยุสกิตคือนำการคืนดีระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ให้มาถึงมนุษย์ทุกคนนี่คือจึตประสงค์ การส่งเลือกที่พระเจ้าเลือกออกมาสังเกตไหมครับมีตอนนีย้ยืนละละเงิ น, นน่านิ้หนึ่งละละเนาะ น, น, น, น่อจะได้เนน่น้อยหน่อยการคืนดีในฐานะทูตกับการคืนดีในฐานะของปุโรหอตต่างกันไหนต่างกันปุโรหิต จ, จะทำหน้าที่ เออทำหน้าที่เหมือนกันบิษอย่างที่ป่าจะบอกอย่า เ, า เ, เจ๊ไปเห็นคือเราจะไปอธิบายไปคุยนะครับแล้วก็ไปชี้แจงแล้วนำเครื่องบูชามาถวายเพื่อนำคนมาถึงพระเจ้าในเวลาเดียวกันนาแนะนำพระเจ้าให้มาเป็นคนทำในด้านนั้นจบในในเวลาเดียวกันสองรนะับแปลความว่าไง น, นำนำคนมาถึงพระเจ้า แปลความว่าเราอธิษฐานผมสมมติว่าคุณพ่อผมชื่อในไผ่แซนลิ้งก็ยังท่านยังไม่ได้เป็นคิดเซียนก็เลยบอกพระองค์จะค่ะผมพาคุณพ่อมาหาพระองค์แล้วเพราะผมชื่อในไผ่เขาไม่เชื่อพระองค์เลยแถมยังเอาคำสอนของพระองค์มาสอนผิดๆอีกโอ้ยพระองค์จะค่ะนี่แหละคือคนเนี้ล ะ, นนละขอใช้ผอง ผมไป็ื่อมือที่จะนําคุณพ่อมาทําความเข้าใจแล้วก็มาคืนดีกับพระองคเสร็จแล้วหลังจากอธิการตัวคุณพ่อผมก็จะไปพบกับคุณพ่อคุณพครับมาไอที่พ่อสอนผมจากพ่อตะพีเนี่ยมันเพียนมากันหน่อยไปเจ้าพี่ก็คุยกันผมคุยกับคุณพ่อสามสิบปีโดยประมาณคนเลี้ยงแก่ ในที่สุดพบแกะตัวัที่เขาหายหมพบสามสิบปีผมก็พบกันไงคุณพ่อกลับใจไหมเอาเงินเรียผมคุยกับคุณแม่หกปีคุณแม่กลับใจไหมคุยน้องชายคนเล็ตขัดจับผมไปสาสบสองปีหลังจากคุณพ่อตายแล้วสองปีไอ้น้องชายคนนั้กลับใจใหมคุยกับน้องชายคนเล็ก 34ปีตอนนี้น้องชาตัวเล็กกลับใจใหม่ขอบคุณพระเจ้าแต่ก่อนที่คนเหล่านั้นจะจับใจใหม่ผมก็นําคนเหล่านั้นมาที่พ ร, ร, ร, ระเจ้าไป็นคนและผมก็นําพระเจ้าไปหาคนเหล่านันขอพระเจ้าช่วยเราคิดยังหลายคนทําครื่งเดียว ทำเรื ata, ia, ì, Studio, ่องเดียวคือนาคนเหล่านั้นมาตีประเจาเสร็จรับใช้พระองค์เลยอกค์เจ้าเนี่ยพอไปนี้รขอพระองค์จบหไปคุยกับเขาเหมนที่แสดงอะไรก็ได้ทํานาสดงอะไรก็ได้โอ้โหนนนนนพระเจ้ามับอกเราจะไม่ว่าออกไปสั่งสอนเขาให้เป็นสาวกเราคิดอะไรพวกเราใช้พระองค์ในสมาธิจันทร์เขารกาศา มองหูน่ยรับลองไหน่งนตงงการ น, นเนี่ยเราทำทเราทำทในฐานะผู้โดยยิสูตวาเครื่องช้าเรยกแล้วเราต้องนำขา่าดีนั้นไปบอกเขาไปอธิบายเขาส่วนในฐานะที่เป็นผูฟังดีๆผูเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสิทธิและอำนาจ เมื่อเราเป็นทูตเราคือตัวแทนของพระเทศและตรง น, นี้ขยายนิดนึงในบันทึกบทสุดท้ายที่บอกว่าท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนจนทุกชาติไ่เป็นสาวโลกของเราบาราบาาจนกระทั่งตอนท้ายพระเยซูบอกว่านี่นี่เราอยากจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นอู่และตรง น, นี้คงสถิตอยู่กับเรามี มีความในอยู่นะครับซึ่งมีสัมพันธ์กับประโยชน์ตน้นต้นว่าลิธารู้บาทั้งสิ้นในสวรดีในแผนดิโลกกดีเมื่อไปกพระละไปออกไปสมัมสอดไอ้ตรงนั้ น, นะะิธารู้บ้าง็เราจะอยู่กับกบารเป็นไรจะมาไปตรงนี้มันเป็นความในเดียวกันเพื่อจะรู้ว่าท่านได้รับสิทธิและอนาจจากพระเยซูคริสตเมื่อไปเ ป, ป, ป, ป, ป, ป็นพยานไปนำพยาน ที่ขัดขวางด้วยวิญญาณของสิ่งชั่วร้ายท่านมี s t a t e g i c สิทิอำนาจในพังของเยอกมให้มันเปนไปอะไร ก, ก็ได้ไปไหนก็ได้ผูกมัดยังไงก็ได้สงยังไงได้มันจะเกิดขึน้นี่คือการอักรและพวกเราขาดประสบการณ์นี่ท <laughs> ยนะ กิจการที่ินเขาแปกันได้ไหมค่านทั้งหลายใช้รับประทานฤทิเพชเมื่อพระงยังมริสุดธเชิ ด, ช ด, ดมาเหนท่านแล้วต้วองต่ไปเป็นระยะงนั้นขบพรเจ้าเชื่อเ ร, เราต้องพบความสาเร็จผมใช้คำนี้ต้องไม่ใช่จับแน่นอนแกตัวนั้นเราจะพบแน่นอนขออย่าเลิกกาทันกันเลย ขอให้เข้าใจสิทธิอนนานาจหน้าที่และพักตางๆยืนยนจัดเป็นทั้งความเป็นผู้โลหิตของเราและความเป็นทูตของประเทศของเราว่าาาาาาาาาาาานาาาวานนะวาาาาาาาาาาาาาาา่าาาาาาไาาาาาาาาาาีาาาาาาาามาาาคาาเรียาาาาาาาาาาาาอาาาาทาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาราาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาต่าาาาาาาาาเาาาาาาาาาาาาาาาาาา แล้วเมื ider, an, ่อคุณเกิดผลพระเจ้าก็จะริริบพวกก็จะเกิดผลมากขึ้นพระเจ้าก็จะริบพวกมันจะเกิดผลมากขึ้นและการเกิดผลมากขึ้นเี็มือของพระเจ้าอยู่แล้วเพียงแตอยู่ที่เราเป็นตัวบัตจุดประกายนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับนี่คือจุดผสมที่พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่มาครับไปดูหน้สิง อันนี้ก็จะพูดคร่าวๆแล้วกัน <c oughs> ว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วเพื่อจะเอามาทบทวนนะครับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสร้างสาวกของคิดจักรไทยในอดีตผมพูดถึงคิจักรไทยเมื่อไหร่นะ <c oughs> ในอดีตไม่ใช่ในปัจจุบันแล้วคิจักรของเราสืบต่อมาจากอาดีตบปล่ อ, อดูด้ว่าของเราเป็นอย่างนี้ไหมในอดีต จากประทมทติบทที่2 8 1 9 2 0พระเยซูคริสต์ได้ัรงบัญชาสาวกทุกคนออกของโรงออกไปออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์ซึ่งพระบัญชานี้ไม่มีอะไรซับสอนแต่ปรากฏว่า <c oughs> ขาของอรรอนี้หนึ่งขั้นคิดกะของพระเจ้าในประเทศไทยที่ผ่านมากลับพบปัญหาจากพระบัญชานี้ ทำให้การประกาศของขิจจักรไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรความมาถึงเรื่องนี้คุยนิดหนึ่งพวกเรารู้ไหมว่าตั้งแต่ผมมาลักไก่พระเจ้าโดยประมาณตัวเลขกงมรมและกันนั้น40ปีเนี่ยผมพบ ว, ว่าขิตจักรไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนึ่งคือคำว่าติดตามคนปัญหาเรื่องการประกาศเนี่ยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ เพื่อจะราู้สึกออนร้ากับการทำการประกาศแล้วเราดิเราชะลอ m มาเนื่องจากว่าเราไม่ประสบความสำเร็จในการติดตามตัวทุนนี้แก้ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญจบดอกเตอร์มานจะเมืองไหนกับเมืองไหนก็ยังมีปัญหาเรื่องโฟโล่ตามผู้บัญชาพลังจริงๆเราเห็นมีกาประกาศกามีการโทรออกมา ฉนั้นกีฬาทางญี่ปุ่นก็มาใครก็ใครมาล่าชนก็มีแขกคนหนึงมาประกาศคนชนก็ออกมาก็ออกมาเยอะแยะสมัยนู้ทีเอลอสบอลมาทำทางสยามรักษาโลกเห็นเห็นเลยครับแล้ววิยากที่งอมว่าวเต้นออกมาเยอะเลยนะครับออกมาหน้าไวทีเดียโอ้เป็นโลยหายดันมีบรรยากาศติดตาม มีการพยายามออกซื่อออกเอกสารออกการอบรมเรื่องตามผมในที่สุดก็ยังไม่มมประสบความสำเร็จแก้ัญหไม่ได้นี่คือปัญหาที่ผมเชื้คุณเห็นแต่นี้เรามาดูว่ามันผิดพลาดอะไรเรามาดูดิผู้มือกับประการที่1แยกเรื่องการสร้างสาวกออกจากการประกาศในกรณี ใครที่มาจากอดีตก็อาจจะเคยได้ยินว่าถ้างานการประกาศถ้าพูดถึงงบประมาณก็เป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงานนอกธุรการแต่ถ้างานการสร้างสาบกก็จะเป็นงบประมาณเกี่ยวกับงานในธุรการภายในกับภายนอกจะมายถองก็กลับกันอย่างนี้ เพเวลานี้เราหลายทิศจับ ก, ก็จะไม่ทําเรื่องการประกาศเพราะว่าเราต้องพัฒนาสมาชิกของเราภายในก่อนเราต้องสร้างสาวก่อนผลกระทบประมาณการสร้างสาวกถึงเกิดขึ้นกับพี่น้องคริสเตียนภายในเวลาพูดถึงสร้างสาวกก็จะจับใครเพื่อสร้างสาวกก็มา น, น, น, น, นถึงคริสศในโบสถ์และผลที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เห็นนะครับเมื่อเราจับรวบระมาณสร้างประทรมการปร ะ, ปร ะ, ประกาศใครเนอกเราไม่รู้จะจบลงได้อย่างไง ต่อยอดไม่เป็นประกาศเสร็จต่อยอดไม่เป็นแล้วเรามีปัญหาอีกคือทำไปว่าเวลาเราประกาศใส่ป้าเราต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาเลยครับมาสอนเราต่อว่าเราจะไปโฟโลล็อกอัพยังไงต่อไปถึงก็ปฏิเสธบ้านนี้ไม่มีคนชื่อนี้เพราอนที่เขาก็เราก็ตอนที่เขารับเชื่อเราก็ได้ชื่อเข้ามาแล้วแ่ละได้ที่อยู่เข้ามาแต่ไปจนเก้าจิตเจงก็ปฏิเสธคนที้องอยู่ในบ้านน่นนะดีไม่ดีคนที่คุยเรานั่นแหละคือคนนะั้น แต่ว่าคนเตะชนะเป็นอีกคนหนึ่งแต่คนไปติดตามผมเป็นอีกคนหนึ่งก็เลยไม่รู้คุณปไปดูอยู่ไหมผมก็งงนี่คุณคุยกับคุณไปดูอยู่บ้านหลังนี้คุณมาทุ่มบ้านคุณไปดูอยู่มันมาทํำไมเหรอและเนี่ยตอนนั้นได้ยินแหมใครเห็นว่าเนี่ยครับเนี่บอกคุณไปดูเชื่อเพื่อเยอสุเคยเดนโอ้ไม่อยู่ครับตอนนี้ก็ไม่รู้ไปไหนเจ๊เจอเจอเจเจย่างนี่บ่อยนี่คือผลที่เกิดขึ้น และคนนี้เกิดขึ้นจริงๆที่เราเห็นชัคือคิดจัดทำเรื่องการประกาศหรือการสร้างสาวกเพียงขึ้นเดียวถ้าคุณเน้นเรื่องการประกาศคุณก็จบแค่การประกาศถ้าคุณเน้นเรื่องการสร้างสาวกคุณก็จบแค่การสร้างสาวกไม่เกี่ยวข้องกแบบันแต่เรื่องไายในไม่เกี่ยวกับไรื่องนงั่นๆั้นใจมากผมโตมากับคิดจัดแบบนี้ แล้วก็ไม่เข้าใจครับเพราะว่าผมไม่ได้มากครอบครัวเปอร์นะเขามาเขาวาดในผมวาตามเขาแล้วจงอยู่กับเรื่องนี้มาเกือบีปีคือหนึ่งชีวิตชาวอยหลงอยู่กับเรื่องนี้แล้วถึงเต้นาสงสาว่เขาเ็อปีผ่านไปไม่มีใครเข้มแข็งสักคนแมที่เข้มแข็งมากหน่อยทไมพอเข้มแข็งปั๊บมันไม่พอจิตนเข้มแข็งปั๊บจังหวแข็งตามไปด้วย ก็ม่คิดเ่นใหม่นะหัวออนๆยังไงเอาพกแข็งแข็งออนมาหัวแข็งเลยไปเลยจอไม่นานเลยนั่นคือกรณีเกิดขนนึ้นของเสียครับดูขอปป้อปฏิปักษ์ต่างดีสองยกเรื่องการประกาศและการสร้างสาวกไปที่ผู้รับใช้เต็มเวลานั่นคืออดิตขอบคุณพระเจ้าวันนี้คิจากแห่งนี้ยืนยันว่า้นจากภาวะความผิดพกษ์ตรง น, นี้ไปแล้ว เรามานั่งอยู่ที่นี่เพื่อพัฒนาชีวตของเราประชุการประกาศและการสร้างสาธารณสมัตยก่อนพรกเราใชพระเจ้าเต็มเวาครับแล้วก็หาว่าเอาลูกของสมาชิกมนมีส่วนในการประกาศใส่ปั๊บพ่อก็จะบอกเฮ้ยเรียนหือซื้อวัยเรียนไปยุ่งอะไรอาจารย์ชวนไปประกาศเอกจ้างเข้ามาแล้วจะไปยุ่งอะไรเขาอีกว้า เพราะฉะนั้นมีผู้รัใชหลายคนเลิกเลยลาออกทำไมไม่อยากเป็นลูกจ้างของผู้ปกครองกลุ่มนี้วะบอกว่าจริงๆเป็นพวกเราไม่ไป็นอยู่แล้วจริงๆพวกาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาแล้วผลที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมหนึ่งได้ผลงานน้อยมากโอ้ผู้ราบใช้พระเจ้าเต็มเวลาไม่ได้ถูกจ้างมาเพื่อทําการประกาศแต่เดียวถูกไหม ตวมาการคุณต้องไปเยี่ยมเยียนใช่ไหมคุณต้องไปดูคนป่วยใช่ไหมคุณต้องทำความสะอาดโบใช่ไหมคุณต้องดูแลบริเวณบใช่ไหมคุณต้องดูถ้าโบสวยๆอย่างนี้คุณต้องดูคน้งนอกเข้ามาแอบเข้ามาในโบทาอะไรป่าคุณต้องดูจับพวกขโมยมีไหมดูทุกอย่างชนลัช่วรบอกอาจารย์ทไมปยชั่วจอบอกโวยใช่ไหแล้วตอนนี้จะไงเป็นไงครับตึกใหม่ตึกจมาแล้มีห้องว่างเยอะอาจารย์ไปช่วยหาคนมาเท้าหน่อย แล้วเมื่อคุณต้องทำอย่างนี้แล้วคุณเอาเวลาดีไหนไปประกาศก็ไมประกาศไม่ได้กระบวนการออมาประกาศเอาดแล้วก็จะาผลงานนี้ไหนก็กคนที่จับนี้ได้เกก็ให้ผลงานทีเดียวแล้วคุณดูไปไหเกิดขึ้น พอปลายปีปลายปีมีการประเมินผลผู้ ร, รับใช้พระเจ้าโอ้โหอาจารย์คนนี้มาอยู่ที่นี่สี่ปีแล้วแนจะมา ค, คิดเพิ่มขึ้นไถึงสามคนอาจารย์ก็หนาวเชวะว่าตอสัญญาแบบนี้นี่คือข้อผิดพลาดเลยอดีตก็ทำถือซะนะขอบคุณพระเจ้าที่เป็นดีแม่ดัง ขอพระเจ้าช่วยประการที่สามโยงเรื่องการประกาศและการสร้างสาวกเข้ากับเรื่องของประการ น, น น, นเห็นไหมผมใช้ okay. เล่นคำวิทยา อ, ยอันแรกแยกอันที่สองยกให้เป็นผู้รับใช้แต่ไม่ลาอันที่สามโยง เรื่องการประกาศและการสร้างสาวกเข้ากับเรื่องของของประธานเพราะฉะนั้นเราก็มาสำรวจดูของประธานเลยแล้วปรากฏว่าสมาช็กวนใหญ่ไม่มีของประธานในการประกาศและสร้างสาวกมีของประธานอะเล่นเทนนองมีของประธานอะไรมีของประธานในการตีกรในกันและกัในการทําเรืูปถึงน kind of ี ah> ้ในการนําประชุมในการแบ่งปันมีของประธานทุกอย่างยกเว้นการประกาศธรอย่างการลาบอไม่ดีแปลกมาก แต่ว่าต่อมาคิดจักในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่คือมีการน้มัสการเสร็จปั๊บดีการกินข้าวกลางวันแล้วก็คิดจับบางห่งก็ประหยาดประยหยัดงบใช่ไหมก็ซื้อจาอนซื้ออะไรอะไรแล้วก็มาหุงกินกันเองเสร็จปั๊บก็เลยเพ <s> ิ่มของประทานใหม่ไม่ของประทานหลังชามครับเฮ่มขากิดดีหลังชาม <laughs> <laughs> เนี่คือข้อผิจกาที่เราเห็นใหญ่ๆนี่เรามาดูนิดหนึ่งนะครับผมคนที่เกิดขึ้นเจออะไรรู้ไหมครคนที่เกิดขึ้นคือไม่มีใครทำงานการการะตานเพราะคนส่วนใหญ่ไม่มีของประทานในการการางันขออนุญาตห้าพื้นออก นอกนนเร <cin> eh? ื่องนิดหนึ่งใจดูในเนื้อหานี้นะใครที่เป็นคุณแม่คนละมางยกมาให้ดูหน่อยฮะแล้ววัวคุณจะบ้าจะเป็นแม่คนเยอะเลยนะครับเอาเธอร่างเธอหน้าตาามหลังมีลูกอีกคนล้ครับคนโตอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดแล้วลองหวนกลับไปสู่ชีวิตแต่งงานกี่ีแล้วนิดหนึ่ง สปใช่มสิ 18, บปปีนะฮะลองวนกลับไปสู่ชีวิตตอนที่อายุสิบแปตอนที่อายุสิบแปดปีที่แล้วมันวนกลับไปสิบปปีที่แล้ตอนที่ยังไม่มีลูกมีของประทานในกาเรเลี้ยงลูกไหมไม่มีแล้วตอนมีลูกปั้นตอนตั้งทอง้องก็รู้มีลูกทาไงรือตกไหมลุกตกนิดหนึ่งแล้วทำไงฮะไหนๆมันท้องแล้วมีลูกแล้ว ต้องเรียนรู้ใช่ไหมต้องพัฒนาอ่านหนังสือหาหมอถามปรึกษาว่าเกิดมาใคยเลี้ยงลูกมาก่อนไม่เคยคนยนี้รูกคนแรกไม่มีใครมีของประทานในการเลี้ยงลูกแต่เมื่อมีลูกเขาเลี้ยงเป็นสิบเจ็ดปีควสุดยอดพบความสำเร็จกี่คนที่ไม่มีของประทานในการประกาศในการทำวิญาณเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปนี้ต่อไปนี้แหละ ว่าการประกาศับเหมือนกับกาีลูกและไม่เกี่ยวกับของประธานไม่เกี่ยวอนเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่างไอ้ที่เอาดมาทิ้งๆๆเี่ยมันไม่ได้ไมมีของประานในการมีลูกก็เลยเฮ้ยลกเกิดมาทั้นไม่มีของประทานก็เลยทิ้งซะไม่ได้เขาไม่รับผิดชอบเ วันี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราเรื่องนี้ให้เราชัดเจนนะเราก็ค่อยมาในี้อ่ะมาดูในคู้มือบางคนเข้าใจว่าตนเองมีของประทานในการหวานก็คือแจกไปปิวนะแจกไปปิวเพจที่เทมิโลแจกจําเลยเมื่อกี้เห็นใรมาถามอาจารย์เทมิโลมีเยอะไหมมีเป็นพันผมเคยแกะ เดินจากกรุงเทพไปถึงนครปฐมแจกไปเองเดินไปถึงนครปฐรมพักที่นครปฐมคืนหนึ่งลุกขึ้นแกกต่อไปจนถึงสุพรรณบุรีเดินไปไม่ได้ประท้งใครนะครับไม่เกี่ยวกับคืนใดๆทั้งสิ <laughs> ้น เพราะว่าผมเป็นคิดเซียนรับใช้พระเจ้าแล้วผมเห็นรูปแบบการรับใช้แบบนี้อย่าลืมว่าพอแมนไม่ได้เชื่อพระเจ้าเพราะเห็นผมก็อยากรับใช้พระเจ้าผมก็แกะไม่เวิร์กผมต้องนั่งประดิษฐ์ใบปลิวเองแกะรูปแบบใหม่บบไม่เหมือนชาวบ้านแล้วไม่กล้าบอกใครก็รกลัวเขาหาว่าผมไร่นอกลิขิตนอกอยก่างา่ะผมทำใบปลิวก็มังนึงใบมีรูปอยู่สามรู ล, ลูกแรกก็เคยมีโ ล, ลกโลกโลกนะครับแล้วก็มีมือมังระแล้วก็ถามว่าโลกนี้มีคนสร้างไหมลูกที่สองก็มีเด็กตาลูกแล้วก็มีลูกคนที่ใส่เสื้อคุยมีหมวกรับปริญญาแล้วก็มีนักโทษเกดเป็นเล็กเกิดมาทำไมแล้วลูกที่สามเป็นลูกองศ์ดีใจดีนะ แล้วตายแล้วจะไปไหนนี่คือใบปิวผมพิมมาร้อยใบเท่านั้นครับสีสีสวยสดเอาไปแจกเพื่อคุยคุยจะก้อคืนนะผมไม่มีรายละเอียดไม่มีอะไ ร, ไ ม, ม, ะไรมันมีแต่แค่กระผามา <c oughs> ผมก้อคืนนะมีคนชาร์จไหม เขาตอบผว่าเนี an ่ยโลกเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโอเคมานั่งคุยกันมีธรรมชาติตัวไหนต้งที่เกิดขึ้นเองคุณเกิดขึ้นเองหรือเปล่าอะไรที่เกิดขึ้นในสุดคุณไปคุณมาเขาได้ตั้งหนักอู่จีนงะถ้ายที่จริงในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองเพียงแต่เราไม่รู้ว่าใครสร้างมันต่้งหลกตอบคําถามข้อที่หนึ่งถ้าคุณจะจบใก่นั้น ก็ได้เก็บชื่อเข้าไว้วันนี้ผมผมคุยแค่นี้ก่อนนะครับครับผมยุงต้องไปถามอีกหลายๆคนนะฮะเพราะฉะนั้นขอเก็ชื่อคนด้วยก่อนแล้วเราไปที่บ้านเขาครับตอนตอนไอ้ที่ไม่ต้องกลัวแล้วเขาไม่โกหกเราแล้วเราเราดูแล้วก็าจบเลยนะฮะคุณชื่ออะไรแล้วคุณจะว่างวันไหนครับผมอยากจะมาคุยต่อสองข้อ่ะเวลานั้นผมทํายังไงขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราจริงๆนะครับ การประกาศ จ, จึงจึงจึงไม่ใช่เป็นการหวา่าดไอประเทศเอาป้ายคำหนึ่งไปไติดไปยอดเสาโซ่ไม่เชื่อก็อยิงชูตกในโลกใช่ไม่เคยเห็นไหมแล้วไอคนที่มันอยากจะแก้เรามันก็ขยนันขยนันมันก็ปรีดื้อไปเอาสีเหลืองทาทับคำว่าไม่แล้วทีนี้ก็ขับรถไปฮึ เชื่อพระเยซูถูกต้องคุณลงทุนต้นต้องจ่ายค่าเข้าที่ค่าป้ายค่าอะไรต่อเลยเขาลงทุนแค่ปีนี้ไปเสียสีนิดหน่อยปั๊บเนื้อ <มะ S 1> หาเปลี่ยนไปเลยคุณไปทำทำไมแบบนั้นอย่างนั้นเลืกประกาศเลยนไม่ใช่ว่านเอง นะั่นเรามาดูตอนนี้หนึ่งนะครับผมพาคุณไปชมปาคปฏิบัติเยอะหน่อยบางคนก็จะว่าตนเองมีของประทานในการหวานคือแกงเปรี้ยวไม่มีของประทานในการเลยนดูก็หวานอย่างเดียวไม่เคยคิดเก็บเกี่ยวความรู้สึกไงเพราะไม่มีของประทานถึงแม้ชาวนาะที่มีการศึกอสารโอ้ที่สุดก็ยังฉลาดกับที่เซียประเทศนี้เลยจริงๆ ผมไม่มีชาวนาคนไหนที่หวานแล้วไม่คิดจะเก็บเกี่ยวจะมีคิดสเต็มระดับการศึกษาสูงชาวสุขุมวิทย์เยอะก็เดิ <c oughs> นดไปวันดีคืนนี้ก็จะเห็นไ้ติวอยู่ตามพื้นน่ะมาหวานเนาอยู่ต่อไปพูดไปแล้วไม่จบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการประกาศและการสร้างสาวกในประกรีวีรการที่1การประกากับการสร้างสาวกเป็นเรื่องเดียวกันอ่านอีกทีหนึ่งมัทธิบทที่28ิข้อ19ถึงข้อ20อยอ่านงไงแยกให้มันเป็นสองเรื่อง เพร า, านะว่าเหตุฉชนนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชมทุกชาให้เป็นสาวกของเราให้รับปกะดิศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระคุณ ญ, ญาิบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสาราพัดซึ่งเรงไาได้สั่งพวกจะไหวนี้แหละเราจะอยู่กับเจ้าตั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะเสิ่นยุค พรเยซูสั่งสาวกให้ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกชนทุกชาติที่พระเยซูบอกสาวกให้ไปสร้างเขาให้ไปสั่งเข า, ใ ห, เขาให้ไปสอนเขาให้เป็นสาวกนั้นคนเหล่านั้นเป็นคริสเตียนยังยางกระการสร้างสาวกเริ่มต้นจากคนที่ไม่เป็นคริสเตียนไม่ใช่ล่อต้นในบสถถ้าคุณจะจับ ยังยื่งเลยมีงบ ป, ประมาณเดียวกับงบ ป, ประมาณสร้างสาวกและการสร้างสาวกเริ่มต้นจากคนที่ไม่เป็นเศษเสี้ยนเป็นเรื่องเดียวกันไม่จะแย ก, ออ ก, กกันออกากันออกไปสั่งสอนจนทุกชาติให้เป็นสาวกไม่แค่เราจ้างนักเทศประกาศในทุกเทศกาลพิสมัตจัดรายการใหญ่พื้นที่เยอะมีเวทีขอบคุณพระเจ้า เธออาจารย์ประยูรในมอนี่มันนักเทศประกาศแล้วคุณรู้ไม่ะไรเกิดขึ้นคือนั่นคนกลับใจใหม่เยอะเพราะก็ติดใจสมนุนลีลาท่าทางเนื้อหาของอาจารย์ประยูรเพราะวันอาทิตย์มาโบสถ์ไล่คนนั้นไปไหนถาอาจารย์ประยูรคนนั้นไม่ได้อยู่บนเราเมื่อไหร่จะมาพฤศจิมาโอ้นี่ ม, น ม, ม, มกราคมวันผมพฤศจิมาแล้วกันไม่ใช่มันไม่ใช่กับ เราทํามันก็ไม่เ อ, องเรื่องของประชาชนเรานะฮะเป็นเรื่องเดียวกันน ะ, ะอะไรที่ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอะไรต้องต้องปรับต้องปรับอะไรที่ต้องแก้ไขแก้ไขครับอยาดูที่เดิมเราไม่ได้เสียเวลาหนวันเพื่อจะอยู่ที่เดิมไม่ใช่นะครับอะไรที่เป็นส่วนตัวส่วนตัวอะไรที่เป็นระบบระดับทีจ่จับคุยกันในระดับทีจ่จับอย่าทะลาะกันอาจารย์ศึกษาบอก <c oughs> <c oughs> ผมจด้ยินเมื่อกี้นี้ทันแค่ไหน 2. อประการที่ ส, ก, สการสร้างสาวกเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้เชื่อทุกคนไม่ใช่ของผู้รับใช้แต่เวลาอันนี้เราชัดเจนแล้วนะครับผมก็โยบัตรมบไมยเห็นก็พอเพราะผู้เชื่อทุกคนเป็นโลหิตและผู้เชื่อทุกคนเป็นทูตของประเทศไม่ต้องอธิบายแล้วก็3การประกาศมีความเกี่ยวโยงกับของประธานแต่เป็นคนละเลือด ก, กับของประธาน พระคีร์สำแดงแนวทางในการประกาศและการสร้างสาวกไกด์คริสเตียนทุกคนที่มีขอประกานทุกชนิดหมายความว่าเขียนลงไปเลยเพว่าคริสเตียนทุกคนต้องรับผิดชอบในเรื่องการประกาศและการสร้างสาวกตามแนวทางที่พระองค์ทรงกําหนดไว้ ในกระปีควคูไปกับการรับใช้พระเจ้าตามของประธานที่คุณไม่อยู่ไม่ได้รับใช้พระเจ้าตามของประธานเราไม่ต้องประกาศและสร้างสาวกลาดเถท่านเป็นนักดนตรีและกีตาร์ตีก่องที่ชินเป่าปีเป่าคุยเอาเทอะแต่ชีวิตของท่าน และสร้างสาวรู้ไม่ว่าจะมีกิจกรรมไม่มีของประธานกี่อย่างในกิจกรรมคู่ไปกับของประธานทุกเรื่องต้อประกาศและสร้างสาวด <c oughs> ังนั้นขอพระเจ้าเชื่อไม่งั้นเราจะเข้าเจผิดและเราก็บอกว่าเรารับใช้พระเจ้าตามของประธานเราเล่นไพโนเราสาบสวดไพโนลงทุน พ่อลุนให้เราไปเยอรมนีตอนนั้นแข่งมากเลยเราขอใช้เพื่อประเจ้าประดีมากครับผมแต่ขอโทษครับไอ้นั่นเป็นของประธานส่วนที่เป็นพระบัญชาเนั้นเป็นพระประสงค์็นการสนเรื่องคือประกาศและสามสมอย่าเอามาอ้างฉันทำได้แค่เนี้ยทำอะไรเป็นปฏิคมแล้วก็คืนย้นชาติชาติ ห้องน้ำาตรงนี้นะครับห้องน้ำสะอาดครับรับรองแล้วก่อนจะพูดโควิดมาดูมีไทยที่ไม่เป็นพิจเซนสุหรือจะทิ้งไว้ไหมอะไรอะไรมาทำความสะอาดดีแข่นี้ก็ทำทุกอย่างทำอย่างนี้แต่ขอโทษกับคู่ไปกับขอประทานในการบริการห้องน้ำเราต้องประคาศและสรางสาวอ่ะไหมว่าเราพลาดพลาดิจับเองดีพลับ แล้วเราจะปล่อยเนี่ยนี่จะเดินต่อไปมั้ยทุกนี้เป็นยุคไอไวแล้วนะไอ้ไววานไม่เกิดอะไรเลยวันวานวานวานวานวอดไปอยู่เลยนะดูนะนี่เป็นปแวนวทางตัวๆไปก่อนที่เราจะไปสูภภ่ภาคปฏิบัตินะครับ แนวทางตัวตัวไปในการประกาศและสร้างสาวกประกันที่1ในมติบทที่ห้าเรียดูหน่วยนึงข้อที่ส3ข้อเดียวกับท้าหวายเป็นเกลือแห่ในโลกก็เกลือนั้นหมดลบเข็มแล้วจะทำให้กลับเข็มอีกอย่างไรได้ แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะสิ้นเสียสําหรับคนเหยียดหยาบนั้นประการที่หนึ่งคือเราเป็นเกลือคําว่าเป็นเกลือเนี่ยในบริบทที่เราเข้าใจก็คือรักษาความดีใช่หไหมฮะเหมือนเกลือรักษาความเข็มคือป้องกันไม่ให้เน่าอะไรแต่ละโอเคละแต่ในมุมนี้ผมไม่คิดเห็นนะ ถ้าเราเอาเกลือเนี่ยใส่ปาสัก1ช้อนชามากเลยตักหช้อนชาแล้วใส่ปารู้สึกยังไงฮะรสชาติคือเค็มแล้วเราอมได้ไม่นานเราก็จะต้องทำอะไรคายแล้วสิ่งที่เราต้องการต่อจากนั้นคือน้ำดูะบะเกตี ไปกลับไปดูที่วิวรบทสุดท้ายเลยพระเยซูยพูดถึงโระองเองอย่างนี้บทที่สิบสองข้อที่ยี่เอ็ดก็ที่สิบเจ็ดอ่านด้วยกันกับข้อเดียวพระวิ่ยามและเจ้าสาวตรัสว่า เชิญมาเถิดให้ผู้ที่ได้ยินคํากล่าวว่าเชิญมาเถิดและให้ผู้ที่กระหายเข้ามาผู้ใดมีใจปรารถนาก็ให้ผู้นั้นมาหลับอะไรครับน้ําแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยพระเยซูปเป็นน้ําแห่งชีวิตแต่วันนี้คนไม่กระหายน้ําครับเขาไม่กระหายพระเยซูเพราะอะไร เพรเปลือไม่ได้ทำหน้าที่รปลความว่าเมื่อคุณไปดูมุมไหนของประเทศดูในชุมชนไหนดูในสถาบันไหนคุณยังต้องไปเกลือและเมื่อคุณไปเปลือยเขาได้สัมผัสกับเปลือเขาได้ชินเปลือเขารู้สึกอยางได้นะ เขาไดเห็นชีวิตของคุณเขาได้เห็นวิธีชีวคคิตของคุณเห็นอะไรของคุณที่ตามออกมาแบบในความเป็นเกิจแต่ม่อเรู้สึกอยากได้พระเยซูคริสต์เความในตรงนี้ไหมครับเพรนี่คือมุมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการประกาศการดำเนินการการสร้างสาวกเพราะอะไรผู้คนึงเมื่อต้อมาเชื่อพระเยซูสิ่งที่เขาจะต้องเียนรู้คือ เขามาเชื่อพระเยซูเพราะอะไรเขาเห็นสิ่งที่เราไป็นดังนั้นหลังจากเชื่อพระเยซูผมก็ทําห้ทำเหมือนที่คุณเห็นผมทําแล้วคุณประทับใจจนคุณมาเชื่อพระเยซูนั่นแหละคุณก็ไม่ต้องลงทุนไปสอนมากพวกะเขาเห็นแล้วพระเยซูมีตำลาอะให้กับสาวกไม่มีพระเยซูให้กับมาดูมาดูมาดูมาดูซิ ลูกเราเห็นไโอเคอาจารย์ดูจำเป็นครับในประเที่หนึ่งคนเรียนบทที่สิบเอข้อที่หจพูดชัดมากในความเป็นเคลือที่ผมประยุกต์มานะครับเตร น, น, นงค น, นที่สิข้อที่หนึ อ, อนนเออ ท, ทําทัหลายจงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกัน วันีเราสร้างสาวกเนี่ยโอ้โหเลาต้องหาตำรามาเยอะเลยนะไปขุดตรงไหนมารู้เขียนเองบ้างอะไรอะไรบ้างสำหรับผมสมัยก่อนเวสร้างสาวกผมไม่เก่งนี่ผมไม่จบโรงเรียนพระพิธธรรมเปิดตรงนิดหนึ่งแล้วกันครับผมเคยเข้าโรงเรียนพริธธรรมไม่ไม่เคยเข้าไปหลายครั้งเขาก็ไล่ออกมาหลายครั้งก็เลยไม่จบมาเขไม่หาไม่อยก้จบก็ไม่ไปไลผมให้เป็นญาโิเลยนะเอแต่ไม่ได้จบหรอกเขาสงสาร โทรเลยให้ปริงาาโทกิติมศากดิแกปติท่แต่ด็อเตอร์กิติมศักดิอันนี้ก็ให้ปริญาโทกิติมศเอาเอเศีเอาทำไมไม่จบขอพระเจ้าเถิแบอางบอย่างท่านจงรายจงปฏิบัติตามอย่างกับพระเจ้าเหมือนที่พเจ้าทำไปฏิบัติตามอย่างยต้องสอนไหมไม่ต้อง อะไรทำให้ท่านมาเป็นสาวกใช่วิธีเดียวกันดาเนินชีวิตแบบเดียวกันที่จะนอีกคนนึงมาเป็นสาวกเป็นเพือ่ะกับมาที่ข้อที่1 4บสีถึง16บหกที่มาที่มทเดียอยู่ข้อ13ใช่ไหมมาที่5้ข้อี่ถึงข้อที่16อ่านร้อมกับ้ สองสข้อนะครับท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกและขอนทอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมืออ่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังกลอบไว้ย่องต้าไว้ดมเชิญตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนร่ำพวงเพื่อเมื่อเขาดเห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สนเสริมพ ร, รบิดาของท่านผู้ทรงสถิอยู่ในสว่าง อันที่หนเราเป็นเกลือคือวิถีชีวิตประจําวันของเราเขาเห็นเราก็จะประทับใจการตัดสินใจอะไรของเราก็จะประทับใจทําอะไรไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่เพื่อนบ้านนะครับหมามาที่หน้าบ้านเราเช่ามันเรากวาดที่หมาหน้าบ้านเราเสร็จแล้วเราไปกวัดที่หมาหน้าบ้านคนอื่นด้วยนี่คือการออกกําลังกายของมทุกวันเวลาเนี้ยเสร็จปีที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ของกวัดที่หมาทุกบ้านเวลานี้ก็ต้นไม้โตแล้วเส็จปีไปไม้ก็รุก ก็อเอาขวากไปมาด้วยบางคนก็รู้ว่าเราจะมาขวาดเขาก็หน้ารักนะครับเขาก็ออกมาขวาดหน้าบ้านเขาแต่ไม่เก็บก็กวากปกองกองกองกเราก็ไปเก็บ <c ười> ในบา่านกันครับพระเจ้าช่วยทำความดีวันนั้นในข้อที่16บพูดว่าท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียว ตรงส่องสว่างแกคนนักพวงเพื่อว่าเมื่อเขาเห็นอะไรความดีที่ท่านทำเมื่อมีข่าวมีภัยมีภัยมีภัยมีภั ย, มภยไม่ว่าจะไฟไม่จะออทุกกับภัยกับอะไรไภัยทั้งหลายสิ่งที่ปรากฏในสื่อบรรดาลคนที่ไปช่วยไม่น่าจะเป็นเหี้ยปอหรอือเหี้ยร่วมเลยนะฮะ เมื่อเราจะเป็นผูนิยมร่วมกับตันยูและปเต็น่าจะเป็นขี้จักขี้เกไอ้ตัววิ่งที่อยู่หน้าทีวีเวลาเราเล่าข่าวสน่าจะเป็นขีจั๊กขี้จั๊กิจักนี้ขีจั๊กนันคี้จั๊น้องก็อจัไม่มีสักจัวิ่งไปตามนั้นเลยแถมสวัสดีครับมีกันอยู่ไหม อ, ออกมาว่าไงครับช่วยหน่อยไปจากซื้อลงศบให้กับคนตายไม่มียะอุ๊ยเราเป็นคริสเตีนนยนไปเลยไอ้พวกคริสเตียนมันไม่ทำดีจริงอยู่เขาใช้คำว่าทำกุนก็ได้ แต่คำว่าทำบุญคือสหรับคนที่อยู่ในความเชื่อแบบนั้นเขาจะจริงๆริคือการทําความดีเพราชื่องงศพให้กับคนตายที่ไม่มีญาติวันวันหนึ่งทางถนนและคนตายเยอะยะงายญาตไม่เจอทำไหมเพราะเราเป็นกิจเตียนวันทุกคนที่มาก็เลยรู้สึกเลยพวกกิเตมันไม่ทำบุญมันไม่ทําดีจะไปยุ่งกับมัน แล้วเมื่อไหร่คนจะได้สอบสว่างเมื่อพระเยซูบอกว่าเมื่อเขาเห็นความดีที่ท่านกราทำพระเจ้าช่วยต้อปราบพื้นฐานใหม่แล้วเวลา เ, ร, เ, าลล เ, เราทําความดีไม่มีการเมืองแอบแฝงจะไปอันนี้ผมเลย มีสมัยหนึ่งผมไปร่วมกับคุณอาุชนรุ่นผมนี่แะตอนนี้มันก็มาอาุชนแล้วเลนปกกันกับธนแล้วตอนนั้นน้ำท่วมที่อยุเยานำทวมเยอะ2ิปีที่แล้วเราไปเลยครับแล้วเราไปในน้มของยุคว่าคริสเตียนแ่นประเทศไทยว่าไป แล้วเราก็มีถุงยังชีบเวลานั้นยังไม่มีรู้จักถุงยังชีบเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชื่ออะไรเราก็มีถุงนะครับแล้วก็ใส่ข้าวสารหนึ่งพอใส่ยาชีวาใส่ใส่แล้วก็ที่สาคัญคือเราใส่ใบปลิวไปหนึ่งใบจบเลยเกมตรงนั้นเกมโอเวอร์จริงเราก็ไายในประแจแขกแขกเพราะมันน้ำตัวเราแจากแจกไปถึงบ้านหลังหนึ่ง แล้วก็สวัสดีครับเลียกอยู่ที่เชิกระไดใครมาลูกเข้ามาประมาณสักสิบกพวกมีคนมามาแจกของครับผมได้บัตรถุงบัตรถุงก็ดีใจออกมาละพอเราเสร็ลูกใจก็หลัเอาไปเขาเขาเขาเปิดถุงออกมาเห็นไปติวมึงเอาไปคืนมันเลย <c oughs> ลูกมึงเขาไอพวกลิก มันจะมาซื้อกูด้วยข้าวสารถูงเดียวเนี่ยว้าวขออนุญาตใจเสียนิ่ฟรีเราเรียนรู้เลยทําจริงๆเรารับถุงนั่งกลับมาเราไปตัว อ, อแล้วเรากลับไปใหม่เราไม่ให้ดูกรหมาคุณน้าครับคือรับแก่นขอโทษไม่มีเงินตีวอครับเรามาช่วยั้น ไม่คิดมาชื่อใครรับไปเะคราเข้ามารับแล้เวเราไปถึงทุกไปในถุงแน่นอนการทําความดีที่พระเยซูพูดถึงคือทําความดีเพื่อให้เรารับผลการกระทําของเราทิ่ตัวเขาไม่ใช่เพื่อเราจะได้ผลจากความดีที่เราทํากลับมาที่เราแนอก ผมไม่ได้กําลังเพิ่มสมาชิกแต่ผมกําลังสร้างความสมัคเพื่อมาถึงจุดหนึ่งเขามั่นใจว่าของมน่าไว้วางใจผมปรารถนาดีจริงเวลาเสนอพุทธิชิตเขาจะได้ยูว่านั้นชยัยแต่ถ้าเขายังไม่มั่นใจในความปรารถนาดีของเราสิ่งที่เราให้เข้าไปก็คือการใช้เป็นเหดื่อดรอดทุกวันนี้คนไทยเราถูกเหดื่อดรอดเยอะ ยิ่งปัจจุบันนี้ยิ่งยากเลยเพราะฉะนั้นทําความดีไม่ต้องมีไบปลิวอ า, ม, อา ม, มีป้ายได้ครับติดมันที่กาะเรือเลยดู้ยวัคเยนแห่งประเทศไทยยืนพร้อมมาเลยอยากได้มอๆของเขาเอาไปเลยไม่ต้องไปติดรูปเบงเข็นไปมองเขาท้นมีป้ายของเราให้เขารู้เพื่อจะมาเอามันด้เอาของเราไปแปะทีที่ว่าเเขา เดี๋ยวเราถามเขาให้เอาเงินเขนมากันดีเปลี่ยนมาแกนะฮะดันั้นขอพระเจ้าเถิดทำที่มันเนียบจริงๆเพราะเราเป็นกุศลเรามีปัญญาจากพระเจ้าแล้วเมื่อคนหนึงมาเป็นสาวกเขาจะได้เป็นสาวกของพระเยซูจริงๆอะไรนี่แล้วหลายอย่างไม่ต้องสอนครับบทชีวิตที่เราดำเนินเด่กเขาจะเห็น แล้วก็จะเป็นทิศเยนตามแนวขอบฟ้งทีเพราะเราดำเนินชีวิตตามแนวขอบฟ้องทีอยู่แล้วเลยอ่ะโอเคอเมนต่อมาประการที่สามเอามาดู1งพงศวดานบทที่ 16-24 ข้อหนึ่งไปตัวเรอ่านแล้วล่ะเรามาอ่านหนึ่งพงศวดานบทที่ 16, <c oughs> 1 6กขอ้อยีิขอบฟทีน่อนะ่อหน้าไหม แตะเลยอ่ะหนึ่งพงศวดานหาเจอไหมครับเจอแล้วนนไม่ใช่ก็ไปทำสงครามอยู่ที่สนามนลกก็พงสวดานมีลอบล่ากันเยอะเหมือนกันอาจจ่านด้กันกับข้อ24ข้อเดียวพระธัรม ป, ปีบอกกับเราว่าจงเล่าถึงพระสิริของพระองค์ท่ามกลางบรรดา การอัศจรรย์ของพระองค์ทาให้ชนชาติทั้งหลายพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นี่ตรงนี้ต้องโยเขบัติตรงนี้ก็เพราะว่าเราอยู่ในเมืองไทยและเมืองไทยเรามีเรื่องความเชื่อเรื่องสิษษษ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะเรื่องของกา ร, ก y ếu y ếu y ếu. รอัศจรรย์เยอะแยะให้เขาเห็ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่านั้นเล่าให้เราฟังเจริงนะครับจะ่ไปอย่ไปอย่า ไ, ไปช่วยพระเจ้าพระเจมาพระเจ้ า, จามาองการให้แก่ช่วยเวอร์ไม่เอาไอ้เวอร์เวอนี่ไม่รับเราดูจริ แล้วผไปไปยังอะไรรู้บ่บ่เ่ไตลนะครับเพเราก็ไปรับเกาฝากการจรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจริงๆนะครับก็ว่าคุณมีประสบการณ์จริงก็คือการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทาให้คุณมาเชื่อพระเยซูคริสต์นั่นคือการอัศจรรย์ที่ยิงใหรับผมนะโอเคจนหนึ่งไปตัวบทที่ก็้านแล้วแะเบทบี่มติบปสเมื่อกี้รอ่ะ ทนทั้งหลายก็ออกไปสั่งอนก็คือสอ น, สอนชนทุกอย่าให้ไปเสาเพราะ่การประกาศไม่ได้การแจกใบติลไม่ได้การิด้าแต่ําไปนั่งคุย ก, กเขากันจัดเวลากับเขาไปที่บ้านเขาก็ได้ช ม, ม, มาที่บ <c oughs> ้านอเอาก็ได้ทังบ้านเาบ้าเอาไม่รู้อยากเชิอยากเพิ่มเชิญมาที่โบสถ์ร้านข้ยวีก็ได้แมคโดนัลก็ได้อยากได้แอร์คอนนเลยรับท่าไหนก็ได้มุมไหนก็ได้นั่งรี น, นุยกัน นะต้องสอนรับอย่าไปอย่าไปคือคือผมเห็นด้วยกับการการประกาศแบบมีเวทีแล้วก็ชนคนป่วยมาท่านอาจารย์วางมือแล้วก็หายโรคเสร็จแล้วก็ให้เขารับเชื่ออะไรครับผมเห็นด้วยตรงนั้นมันมันไม่ใช่การอานสัญลักษณเสริมการประกาศเมื่ไจ้เอาการอานสัญมักเป็นนล่นะ เอลอ้เขามาแล้วเสร็จแล้วเาเห็นพระเยซูเออมีกา ร, รอจัจรรย์หายโลเชื่อพระเยซูถ้ า, ามาเชื่อแบบนั้นเขาไม่ได้สึกบาปก็ไม่ได้กลใจแต่เขาเลือกเอาพระเยซูไม่ใช่พระเยซูเลือกเขาตกลับมาตรงนั้นจริงๆให้พระเยซูมีโอกาสทงานในใจเขาไม่่การอาัจรย์ทงานผมเชื่องกา ร, รอจรย์ผมประบการจะเป็นครมมนคนนึงะตาบอกว่าปี หายครับแต่ขอโทษไม่เกี่ยวกับการกลับใจคุณหายบอนก็กนดีไปอยากจะทำอะไรก็ไปทาแล้วหนูต้องเชื่อพระเยซูไหมลูกเขถามไม่แต่ใครรักษาพระเยซูรักษาถ้าคุอยากเชื่อในโะบสถอยู่ทำเนี่ก็ไปถามว่าจะทำยังไงผมไม่เกี่ยวดังนั้นขอบพระเจ้าเชื่อเรานะครับ ผมไม่ได้ต่อต้านการการสกนเสริการปราครับแต่อย่าเอาการอ่าการสแนเป็นหลักแล้วเไม่ควรมาเชื่อเขาอิจ่เขาการจัจบับไม่ไม่เหลือครับเพราะสินงสักสิ่งอื่นอืก็แปก็มีการอ่านจันกแปะที่เราคิดไม่ถึงไม่ซไปนแต่ให้เขารู้ประชาชงเรามีการอานสแให้เารู้แต่การประกาศเป็นเรื่องของการจับใจใหม่เกี่ยวกับการสมับสนุนป่า โอ okay. เคแล้วครับแล้วก็สอนต้องสอนนะครับเสร็จแล้ว 5, ก็ห้สริมเสริมสั่งเทเโรนิกาบทที่ 5, ห้าข้อ1ิ 1. เทเโรนิกาบทที่5ขอ้อ1ิข้อเดียวกันพร้อมกันเหตุฉ น, นั้นจงหนุนใจกันและ คนต่างจงก่อขึ้นตามอยากด้วยกันกำลังทําหมือนกันแต่ไม่ได้ครับพี่ด้องคริสเซียนในแต่ชาวบริการยังเป็นคิดเสียนใหม่นะต้องเทียบกับพวกเราโอ้โหใหม่เราเกือบอาจารย์พกเรยนจดหมายไปให้เขาสั่สรางกันหนุนใจกันนะนั่นก็คือแนวทั่วทัไปนะเรามาสรุปตรงนี้นิดนึงแล้วเราไปพักเนาะพระเจ้าทรงเลือกเราทั้งหลายมาเพื่อสะท้อนให้มวลมนุษย์ได้เห็น ลักษณะของพระเจ้าลักษณะของพระเจ้าแต่ภาพลักษณ์ของพระเจ้าจะปรากฏอย่างเด่นชัดไม่ได้ถ้าเราทั้งหลายไม่ได้เป็นกระจุกชักทอน ถ้าเราทั้งหลายไม่ได้เป็นกระจกสะท้อนให้เขาเห็นฟังนะเป็นเราทั้งหลายนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะฮะเช่นชนชาติปิมไปด้วยความรัจกจะสะท้อนลักษณะของพระเจ้าที่เป็นความรักดังนั้นสาวกแต่และคนจึงไม่ใช่เพียงแต่ทบหน้าที่ของตน ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุดตามลาพังเท่านั้นแต่ต้องช่วยกันและร่วมกันช่วยกันและร่วมกันทําเรื่องนี้การทำเรื่องนี้ในชนชั้นของในชนชั้นของพระเจ้านี้ ทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนถ้าคุณจะใส่กำต้องก็ผไม่เสียหายอะไรต้องมีส่วนร่วมคิดจยากของพระเจ้าที่แท้จริงจะต้องสะท้อนลักษณะของประเิศต่อชนชาวโลกอย่างมีปัจสิทธิภาพรวมกัน ยางชัดเจนเมื่อใช่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นและต้องทำทุกวันเ <Okay. S 1> วันแปลความว่าบทเรียนเบื้องต้นที่เรา่อนพรบตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของเราและต้องทำด้วยกันทำเป็นทีม ทำเป็นอวัยวะในร่กายทำเป็นชุมชนทำให้คิดจักวัฒนาเป็นที่ระบือกันไปทั่วแถวนี้เลยสุขมิดอยากจะเชื่อพระเยซูเหรอไปวัฒนานู่นเดือดร้อนเหรอไปวัฒนานู่นขี่ไปออกอ่ะไปวัฒนานู่นมีปัญหาอะไรไปวัฒนานู่นมาตำรวจเจอค็มีปัญหาตำรวจพามาไหนมาวัฒนา อ๋อไ <Amen>. <Amen. S 1> เราต้องเป็นเปือเราต้องเป็นแสงสว่างเราต้องเป็นทุกอย่างเป็นคําตอบสําหรับใทยสําหรับคนในชุมชนพระเยซูเป็นคําตอบแต่วันนี้พระเยซู ล, ลึกว่ามัตอบแทนคนเหล่านั้นไม่ได้เพราะว่าใงเพวกเราทั้งหลายเป็นตัวแทนของพระเยซูอคําอภิปรายอันนี้เป็นกันบ้างแล้วกันไม่ต้องทําตอนนี้ การที่เรานําไปไปลิ์ไปเดินแจกตามบ้านหรือตามชุมชนต่างๆถือว่าได้ทากาันได้ทาตามพระมหาปร ะ, ประชาชนของพระเยสุคริสต์เจ้าแล้วใช่หรือไม่เพราะอะไรเรียนไปแล้วนะท่านคิดว่าท่านต้องได้รับการเสริมสร้างให้การรับการส น, นับสนุนด้านใดปั๊บที่จะช่วยท่านสา ม, มารถทำหน้าที่สร้างสาวกได้อย่างเต็มรูปแบบต้องได้คำตอบทุกคนแต่อาจจะไม่สา ม, มารถแบ่งปันได้ทุกคนคือดูกับเวลาเวลาเร า, าปัจจุายกันนะ ข้อสให้ทุกคนช่วยกันวางแผนเพื่อรับการเสริมสร้างตามวาระการในข้อสอถามว่าเราต้องรงับการสริมสร้างอะไรก็ตรงนั้นเมื่อว่าจะมีกีประเด็นก็ตามหลักเลยเรียงตามลาดับความสําคัญของแต่ละคนซึ่งจะแตกต่างกันและกําหนดว่ามีประการใดที่สามารถรับการสริมสร้าภายในจิตจักรและประกัยใดที่รับการสริมสร้าจากสถาบันอื่นนอกจกิตจักรบางเรื่องก็ต้องไปเรียนโรงเรียนเพื่อตามผมอยากจะแนะนําจะไปเรียนโรงเรียน ก็พี่เร้าผมอยากไดแนนอย่าไปดีกว่ารงเรียมันโหช้ามากกว่าคุณจะจบป่คนตายหมดลผมสอนอยู่เียก็จะเอาการที่โนี่แหละอาจารย์ปาอาจารย์ลุงพอาจารย์สันติเนี่ยเอานะโอ้โกว่าอม่รู้รเรียนอปับุ่นครับน่คือผมสอนอยู่ที่นั่นผมรู้ ผมเคยผมเคยก็ไปสอนในโรงเรียนวิทธรรมแห่งนึ่งแล้วก็ผมมีความเช่ชาในหลายวิชาเพราะผมสอนมาเยอะใช่ไหมฮะเขาก็ให้ผมไปสอนวิชาหนึ่งที่ผมเคยเชื่อชาผมบอไม่เอาผมเสนอวิชานี้ตรงผมก็ยืนเข้ไปเาอบทเรียนทุกอย่างนะครับเขาดูเสร็จัาบอกไม่เคยมีวิชานี้อยู่ในโรงเรียนวิทยธรรมบอกว่าไงงั้นไม่ต้องมาสอนไม่สอนไม่สอนพรา่ค รู้ไหมชื่อวิชาอะไรปัญหาเิรษฐกิจป่าผมก็ถามก่อนที่ผมจะเดินมายุคนี้เนี่ยมันยุคหลังเอ็นสิบหกต้งยอะนอกจากคุณไม่ใช้เอ็นสิบหกแล้วคุณยังยื้ออาวุธแบบปอยกระ เข้าใจพวกที่เป็นทหาจะรู้ปอลย อ, อ, ยป อ, อยบออยปืนเล็กยาวแปดสิบแปดนึงขึ้นหอ ด, ด, นดูแล้วก็ยินมันทดียวนะเสืก็แทตึ้งถ้าูไม่ทําไม่มันออกหน้าตูวเองต่างหากฆ่าไ า, ายให้กับผู้รับใช้พระเจ้าไปลบกับพวกพทีท่มันไทยไรโอ้โหไอ้หวายครับไอ้แผด พอไ ป, ปไปลกแล้วคุณยังสอนเขาผมบอกกอโทษคคุณตัดนะยื่นอาวุธสำหรับลบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพื่อมาลบในสงครามโลกครั้งที่สที่ห้านี่นะผมพูดจริงๆรขออ น, นุญาตขออ น, นุญาตเสนอตรงนี้นิดนึ่งให้เข้าใจก็าเราจับหลักสูตรของเราเราทำของเรานะครับแล้วให้ แย่กให้ผูร้ราบใช้พระเจ้าของเราได้ทําหน้าที่ที่เขาควรจะทําพัฒนาพวกเราแล้วเราออกไปครับแล้วก็สริมสร้างตรงนี้อธิบายตรงนี้กันนิดนึงคุยกันในโบสไม่ใช่เวลาคนนี้ไม่ใช่ตรงนี้ยแล้วก็ว่ากันว่าเราจะทำอย่งไรปรับพื้นฐานอะไรบางอย่างปรับเรื่องแครนะครับกลุ่มแครลองรับพิดีแล้วก็มีช่วยในที่สุดมันคืออะไรแล้วถ้าคุณทำอย่างดีนะครับของมันจะคนหนึ่งมันเชื่อคนหนึ่งหรือ2คนวิืทีนึงก็ได้ มาเชื่อกันแล้วในสุดคิดจับพวกคุณขับเพื่อนคุณจะเห็นคิดการชัดเจนแล้วทุกๆุกวันทุกทุกวันคิดจักคุณมีการเคลื่อนไหวแต่มีการเคลื่อนที่วันนี้คิดจักในประเทศไทยเยอะแยะมากมีการเคลื่อนไหวแต่ไม่มีการขึ้นจุดเคลื่อนที่เพราะมันซอยเท้าดุกร่กระทึกกระทงบประมาณก็ลงไปเหนื่อยก็นเลยพอชุก็แล้วทะเลาะกันจ็แล้วปะปะจบชิดปีปะปะประเมินผลเฮ้ยเราไปทึงไหนอยู่ที่เดิมหรอแล้วไปเหนื่อยทาไมอะ เ็นเสียงงุ๊บประมาณทำไมลองเมินลองิตใทีเดียแล้วนี่เป็นแนวนะครับเดี๋ยวเราไปพักสักพักหนึ่งแล้วเรากลับมาเราไปดูวิธีวิธีที่เราจะทําการสร้างสาวกว่าเราจะทำอะไรเป็นลายละเอียนะฮะแต่วิธีที่เราจะเข้ามาเรียนในนั้นจำไว้นะฮะไม่ได้ว่าจะต้องเป็นวิธีนี้นะ ให้เป็นเป็นไะไรสาหรับที่เราจะไปพัฒนาเพื่อเราจะรู้ว่าเราจะทำวิธีไหนก็ได้นะครับที่เหมาะสมเช่นัอาจารย์ตุ้พักที่ไหนจกอาากินไหมใครับเสอผ้าดีครับ